พระธรรมเทศนาแผ่นที่92สลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าใส่ใจงานข้างในวันนี้เป็นวันที่17 มิถุนายนพุทธศักราช 2,559 วันนี้ ป, ป่าภูก้อนจะเริ่มสมโพธพระพุทธสิหาสา ย, ยานพระพุทธรูปนอนปางปรินิพานเป็นงานใหญ่สมโพธ7เจวันเจคืนเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละไปจนถึงวันที่23 การนัตธ า, าญาโยมกูไใดจะไปร่วมสวมโพธ์ไปเฉลิมฉลองพระพุทธรูปใหญ่ก็ได้แต่หลวงพ่อวันนี้ประมาณทักเที่ยงกว่าหลวงพ่อก็คงจะขึ้นไปพระ อ, องค์พาท่านจะเสด็จประมาณทักบ่ายสามโมงวันนี้นะครับ ความเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมของงานเมื่อวานนหลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปนะตอนบ่ายสามสี่โมงเย็นหลวงพ่อขึ้นไปดูเพราะว่าทางเจ้าภาพคุณโยมปิยวันทันหมานิมนมาบอกกล่าวหลวงพ่อให้หลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปดูสถานที่หลวงพ่อจะนั่งเพราะว่า วันนี้พระองค์พาท่านเสด็จขึ้นมาแล้วก็คงทาพิ ธ, ธีพระบรมสารีริกธาตุ ก, าากราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นเขาจะยกให้สมเด็จพระมหามูนีวงจเจ้าวาดวัดราชบพิษเป็นองค์บรรจุ พระรมสารีริกธาตุบนพระเสียนป้านอนประมาณทักบ่าย 3-4 สโมงประมาณ 3- สี่งเย็นจากนั้นท่านก็ได้ถวายของที่ระลึกต่อพระองค์พาท้งเจ้าภาพด้วยทางหลวงพ่อชาดีด้วยท่านก็ให้หลวงพ่อเป็นองค์หนึ่งเป็นผู้ถวาย พระพุท ธ, ธปฏิมาปางสมาธิประมาณพระประมาณเก้านิ้วมั้งรล้หลวงพ่อเมื่อวานก็เลยขึ้นไปจะให้นั่งที่ตรงไหนพระองค์ท่านจะเสด็จมาอย่างไงหลวงพ่อก็ขึ้นไปไปเตรียมไปดูเมื่อวานก็รู้จักสถานที่เรียบร้อยแล้วล ะ, ละงานก็ไปรู้สึกกาไปเริ่มได้ดี เพราะว่าส่วนราชการไม่รู้ว่าไฟฟ้าปะปลาโรงทานก็รู้รู้สึกว่าอบอุ่นอุ่นหนาฟ้าขังเมื่อวานแต่ก็ยังไม่เข้าไปทุกคนยังไม่ได้เข้าไปแต่วันนี้แหละคนจะหลั่งไหลเข้าไปแต่เช้าก็คงจะไปร่วมการจัดงานแต่ทุกอย่างก็คงจะพร้อมละอันนี้เป็นการ สร้างมาตั้งหลายปีปีนี้ไปว่าสมโพธิว่าจบละแต่ไปการฉลองเฉลิมจากนั้นขาคงจะทำพธิธีกราบไหว้เคารพสักการะบูชาแต่ถึงยังไงก็เป็นที่ยอมรับกันทุกคนทั่วนหน้าว่าสร้างได้ดีทางได้สวยงามเหมาะสมโดดเด่นสรุปแล้วก็หนักหนักไปหนักไปในทาง นักท่องเที่ยวมาชมทั้งไทยทั้งเทศก็ดีเป็นสถานที่ให้คนได้กราบได้ไว้ถ้าว่าไม่มีที่อย่างนี้มีแต่อย่างอื่นจิตใจของพี่น้องประชาช น, นาก็คงจะไวไวเขวไปทางอื่นแต่นี่แต่มีมากราบพระพุทธ ร, รูป อย่างน้อยก็ได้บวชจิตบวชใจชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีผมมาถึงก็ได้ยินพระสวดอิติปิโสปะกวาหัางสัมมานะบนพระวิหารอย่างน้อยก็ได้เดินรอบเวียนพระทักศินรอบพระวิหารประนมมือไหว้พระวิหาร ร, ารับลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีนะดีกว่าเกิดมาทั้งภพทั้งชาติปล่อยจิตปล่อยใจไปทางอื่นโดยที่ไม่ได้เลือกถึงคุณงามความดีโดยไม่ได้เลือกถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารผู้ชำละกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจเป็นสถานที่ เคารพสักกระทางด้านจิตใจหลวงพ่อว่าก็ดีเป็นการแสดงออกชั่วขณะหนึ่งของจิตใจก็ยังดีกว่าที่ปล่อยปะละละเลยนานเท่านานตลอดทั้งชีวิตนะแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะขึ้นไปแล้วก็คงจะได้แต่คงจะกลับ เราก็คงจะมไม่ไพักค้างเพราะมันสถานที่มันจะไปค้างแต่มาอยู่เราอยู่ใกล้นะแล้วก็พระเด่นก็คงทันกับนิมนต์ทั้งอื่นนะ่ะมาเป็นรอกละรอกนะมาเขาวนิมนต์เท่าไร่ขึ้นไปแต่ในวัดของเราก็ก็ไม่มีอะไรจําเป็นจะต้องขึ้นไปนะไปยุ่งเหยิงวุ่นวายตั้งใจภาวนานะดีที่สุดสรุปแล้ว วัดของเรากลุ่มของเราวัดของเรานะคือให้ภาวนาหลวงพ่อไม่ได้เน้นไปทางอื่นไม่ได้เน้นเรื่องการเรื่องงานภายนอกงานภายนอกถ้าจำเป็นมาพาดมาเกยบางครั้งบางคราวก็อเอาช่วยกันแต่มันจำเป็นไหมก็ไม่ทั้งถึงความจำเป็นท่านก็เอาท่านก็ทำกันไปไม่ใช่ว่างานทุกอย่างเราก็จะไปเขาไปหมดทุกอย่าง อย่างนั้นมันก็ไม่ไม่น่าจะถูกนะในแนวความคิดของหลวงพ่อนะถ้าม้ความจำเป็นย่งคอยเขาไปช่วยทท่านเกินความจำเป็นแล้วเราก็เออหมดเราก็ดูพอหมดความจำเป็นแล้วนะท่านพร้อมอยู่แล้วนะแต่เป็นยังไงก็ตามแต่ให้มองงานตนเองมองมองงานตนเองมองงา น, น ง, ม ง, งานของข้าพเจ้าเองมาน ง, งานของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเอง เป็นยังไงเราหมดกิเลสได้อย่างเราเป็นผู้บริสุทธิ์หรื อ, อยังแต่ถ้าเรายังไม่บริสุทธิ์ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงอยู่นั่นแหละคือหน้าที่ของเราจะต้องชำระสะสางกรรมจัดหรือพิจารณาบำเพ็ญคุณงามความดี จุดนั้นให้มากนะอันนี้คือหน้าที่ของพวกเรานะคณ ะ, ะทายาิโยมพระเนรลูกหลานส่วนอื่นก็ช่วยไปประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ท่านถ้าท่านพร้อมแล้วก็ไม่อเมีออะไรถ้าท่านยังไม่พร้อมเราพอจะช่วยได้ไหมเราก็ข้อไปช่วยและประโยชน์เราล่ะพร้อมหรือยัง เต็มบริบูรณ์เรงแต่ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่เต็มเราก็ต้องหันมาช่วยงานของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเรามองมองดูมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองไปข้างนอกแล้วก็มองเข้ามาหาข้างในท่ามเราเต่ ม, มองแต่ข้างนอกอย่างเดียว ไม่ได้มองตัวเองก็ไม่ถูกแต่มองแต่ตัวเองอย่างเดียวก็ได้ก็ถูกดีกว่านะแต่มองตัวเองอย่างเดียวดีกว่านะพระพุทธเจ้าธรราดีกว่านะถ้ายุกตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเราถ้ามองตัวเองชําระใจของตัวเองอย่างไม่บริสุทธิธ์ให้บริสุทธิ์ให้มองตัวเองอันนั้นถวรมเลิศประเสริฐ ก, กว่ามองข้างนอกนะอันนี้พวกเราเข้าใจจุดทำคําสอนของพุทธะ ท่านให้มองตนเองมากกว่านะมอ ง, งอขงอนะมองข้างนอกนะทำมองข้างนอกเป็นจะส่งจิตใจส่งออกไปข้างนอกนะ อ, อมีแต่เสียหายเผลอๆ เ, เ, เ, เป็นบา้าปเป็นบ่อไปอีกต่างหากจะคิดว่าจะยึดโลกทั้งโลกเป็นตัวตนของเราไปยึดได้ยังไงโลกนั้นมันเป็นมาอยู่อย่างนี้อีกสักวันหนึ่งนะไม่นานนะชีวิตของเราต้องตั้งใจไว้เฉยไว้ ชีวิตของเราไม่นานนานขนาดไหนลงพอนคนโบราณเขาว่าเจ็ดวันภายในเจ็ดวันเราจะต้องตายเจ็ดวันอะไรนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มันอยู่ในนี้เรอเจ็ดวันไม่ตายวันหนึ่งก็ต้องตายวันหนึ่งแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่น เพราะนั้นเราจะไปคิดว่าลูกชีวิตของเราจะยืดยาวนะจ่ายตายไปในเจ็ดวันเลยนะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ไม่อาทิตก็วันจนนนันทร์วันอังคารวันพุธผ่าวันพฤหัสไม่วันใดก็วันหนึ่งใหค้คิดไว้อยู่เสมออีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าตจะต้องถึงจุดจบคุณงามความดีบุญกุศลจิตใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นหรือยังถ้ายังไม่หลุดพ้นนะอย่าชะล่าใจนะอย่าลืมตัวนะให้บำเพ็ญคุณงามความดีเขานะนี่แหละ ตนต้องเตือนตนไว้อยู่เสมอนะเอาล่ะพอในทะีนี้นะองพอจะไม่พูดมากกว่านะี้